113เจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้บรรลุพุทธธรรมใดๆเลยดังนั้นตลอด35ปีตั้งแต่เป็นครวาด์อยู่ในโลก29ปีก็ดีและอีกหปีที่เป็นนักบวชก็ดีทั้ง35ปีในพระชนชีพของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระองค์ไม่ได้บรรลุพุทธธรรมในการประพฤติตน หรือปฏิบัติธรรมใดๆเลยที่เป็นโรคุตรธรรมอันเป็นของพุทธ29ปีในขณะที่เป็นครว่ดเต็มองค์ก็ถูกพระบิดาทรงบำเรอจัดให้สุขนักสุหนาอยู่กับโลกียารมณ์ทั้งหลายด้วยซ้ำแม้แต่จะทรงออกมาผนวดแล้วอีก6กปีก็ชัดแล้วทั้งในตำนานหรือประวัติของพระองค์ ทางคำตรัสของพระองค์เองตามที่อ้างอิงไปแล้วยืนยันว่าพระองค์ไม่ได้บรรลุธรรมที่เป็นพุทธเลย35ปีจึงยังไม่ปรากฏพุทธธรรมอย่างเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทั้งๆที่พระองค์ก็ทรงรู้พระองค์อยู่ว่าพระองค์คือพระพุทธเจ้าและคนอื่นๆ อ, อีกมากมายก็รู้กันทั่วว่า พระองค์นี่แหละคือพระโพธิสัตว์มาเกิดจะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในชาตินี้เองแต่ก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพุทธธรรมยังไม่ปรากฏขึ้นมาให้พระองค์รู้ได้ในตนจึงยังไม่สามารถตรัสพุทธธรรมนั้นออกมาได้เพราะท่านยังไม่รู้จึงยังไม่มีคําตรัสตามที่ท่านรู้ได้ คําตรัสรู้ที่เป็นพุทธธรรมจึงยังไม่มีแม้จะมีแล้วเมื่อผ่านคืนวันเพ็ญเดือนหกที่พระพุทธเจ้าได้ระลึกรู้พุทธธรรมทั้งหลายขึ้นมาได้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรัสกับใครเลยก่อนจะถึงวันเพ็ญเดือน8กับปัญจวคีคําตรัสถึงความรู้พุทธธรรมก็ยังไม่มียังไม่ออกมาจากพระโอษฐ ก่อนจะได้ตรัสพุทธรรมออกมากับปัญจวัคคีจึงยังไม่เกิดคำตรัสรู้ยังมีแค่ความรู้พุทธธรรมในพระองค์เองเท่านั้นที่ยังไม่ได้ตรัสออกเลย